จบเสียง่านดีกาธรรมจักกับประวัตนสูตรอ่านโดยอริยคุณเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับขอทุกท่านโร่วมอนุมโมทนาผู้ร่วมจัดทำเพิ่มเติมอีกดังต่อไปนี้อัศวินอารัฐเทียนงามชัยเชษสุ ข, ขุมกาญจนะรัตนนพุ่มพวงปัญญาโกจันครอบครัวสินสมบัติครอบครัวศิราภาสกุลพลอยนภบินชัย นัชาทวินกมลพัทสุภาภรณ์ธรรมเจริญวิชานมนธาทิพกุลสิตาสีบุญชูนภาภรณ์ปัญญารัตนคุณากรนพศเคลื่อบุญและอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสงค์ออกนามสัพภธานางธรรมทานางชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลอยยิ่งขึ้นไปนะครับ